น, นี้ก็จะเล่าเรื่องสบายๆให้ยมฟังแต่ก็มีแง่คิดสอนใจมีแท็กซี่อยู่คันหนึ่งวิ่งมากับผู้โดยสารอยู่บนถนนรานมินทาขณะนั้นก็เป็นเวลาตีห้ากว่าบรรยากาศเช้าๆถนนก็โลง่งแถวนั้นก็เปที่เปียวแท็กซี่จึงชวนผู้โดยสารคุยบอกว่าแถวนี้เปียวมากแต่เดี๋ยวนี้สบายใจได้ย0สิบบาทมารับถึงที่แท็กซี่ก็เล่าต่อไปว่า เมื่อส4ปีก่อนลูกเขาเนี่ยไม่สบายเป็นไข้ขึ้นสูงแล้วก็ชักตอนนั้นอุ้มลูกวิ่งมาหารถแท็กซี่ตอนนั้นเขาบอกอยู่ลาดพ้าวซอยห้าแต่ได้ไปที่เปียวหาแท็กซี่ไม่ได้เลยจนไม่รู้จะทำไงจึงวิ่งไปปลุกเพื่อนบ้านที่มีรถ b ิ g กอัพขอให้ช่วยส่งโรงพยาบาลราชวิถีเพราะไม่มีทางเลือกเพื่อนบ้านก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลแท็กซี่เขาพูดกับผู้โดยสารว่า คุณรู้ไหมมานาคิดเงินผมเท่าไหร่ผู้โดยสารก็รู้สึกเครียดเหมือนกันเพราะว่ารถก็เก่าคนก็แก่บอกคุณเล่าไปเถอะเกียรเดาแท็กซี่ก็เปรียบเทียบ ว, ว่าสมัยเมื่อสิบสี่ปีก่อนเนี่ยลาดพร้าววิ่งมาลงอ่ที่ราชวิถีถ้ารถไม่ติดก็มาเจสิบบาทถ้ารถติดก็ไม่เกินร้อยแต่ยังไงมันก็ไม่ติดเพราะตอนนั้นตีหนึ่งคึ่งแล้วมันเรียกผมต้องห้าร้อยบาททั่วันนี้ผมแค้นใจ ม, มาก ผู้โดยสารก็นั่งฟังไม่ได้พูดอะไรแล้วก็วิ่งไปก็พูดพูดทํานองแบบเพื่อนบ้านเนี่ยไม่มีน้ําใจแต่ก็ด่าขับหยาบคายอีกมากมายให้ผู้โดยสารฟังตลอดคนป่วยยังคงสะสมเงิเนตั้งห้ารอยบาทผู้โดยสารจึงถามแท็กซี่ไปว่าคุณชื่ออะไรแท็กซี่บอกผมชื่อนิยมครับอาคุณนิยมขับแท็กซี่เนี่ยวัละกี่ชั่วโมง โอแท็กซี่วิ่งเป็นกะกะหนึ่งก็มี12ชั่วโมงแต่ไม่มีใครขับได้ถึง12ชั่วโมงหรอกขับได้เจ็ดแปชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วแถมต้องวิ่งหาผู้โดยสารบางครั้งก็ไม่ได้ผู้คนเปลืองน้ํามันด้วยนี่คุณนิยมสมมตุติถ้าคุณขับแท็กซี่เหนื่อยไปทั้งวันแล้วสี่ทุ่มเนี่ยคุณพักผ่อนแต่ประมาณตีหนึ่งมีผู้โดยสารต้องการไปธุระที่ด่วนให้เงินคุณเจ็ดร้อย คุณจะไปไหมนิยมก็บอกว่าผมไม่ไปหรอกกําลังพักผ่อนเหนื่อยไปทั้งวันบางครั้งก็ต้องเสริมสุขภาพไปบ้างผู้สื่สารก็ถามต่อนี่ขนาดคุณเป็นโชเฟอร์แท็กซี่รับจ้างมีคนจ้างคุณเจ็ดร้อยตีหนึ่งคุณยังไม่ไปแล้วเพื่อนบ้านของคุณที่ในรับจ้างขับรถอาจจะทํางานเหนื่อยมาทั้งวันหรือทํางานหนักมากกว่าคุณกําลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัว จูจูก็มีเพื่อนบ้านอุ้มลูกที่กะลากยรตายเนี่ยมาให้ไปส่งขณะนั้นเขาไม่มีทางเลือกจำปะจาใจต้องต้องไปส่งคุณคิดดูถ้าเขาไม่มีรถและไม่มีน้ำใจลูกคุณตายสฐานเดียวโชเฟอร์แท็กซี่แหงนมองในกระจกมองหน้าผู้โดยสารกำลังใช้ความคิดจิตใจก็สงบขึ้นแล้วก็ถามว่าท่านจะไปไหนครับ อ๋อผมจะไปพูดให้คนคิดเป็นคือผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยเนี่ยเป็นวิทยากรชื่อดังเป็นนักพูดระดับประเทศคือสิ่งที่ผู้โดยสารพูดเนี่ยเ ป, เป็นสกิจใจของแท็กซี่แล้วผู้โดยสารก็พูดต่อถ้าพ่อของเด็กคิดเป็นนะยอมยัดเงินสักพันหนึ่งใส่มือของผู้ที่ช่วยชีวิตลูกของตัวเองเนี่ยชีวิตจะมีความสุขมากกว่า น, นี้เลยแต่ขณะ น, นี้พ่อของเด็ก กำลังด่าว่าผู้มีพระคุณช่วยชีวิตของลูกตัวเองชีวิตของลูกคุณมีค่ามากกว่าเงินห้าร้อยกี่พันเท่าซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่ผมเป็นคนแรกเขาพูดของผู้โดยสารเนี่ยสกยิดใจโชเฟอร์ตลอดเลยแล้วบอกคุณเป็นคนเห็นกั่ตัวถ้าคุณถามเขาเจตนาคุณต้องการเข้าปฏิเสธผมไม่อยากจะให้เงินเขาแต่ถ้าคุณมีเจตนาจะให้เนี่ยเขาเรียกเท่าไหร่คุณก็เต็มใจจะให้อย่างยิ่ง เพราะว่าถือว่าช่วยชีวิตของลูกชายแล้วคุณก็มีความสุขไม่ต้องมาเครียดอย่างทุกวันนี้ที่คุณเครียดว่าคุณไม่อยากจะให้เขาโชเฟอร์แท็กซี่ที่ทุกเพราะว่าเป็นคนเห็นกคตัวแล้วก็เป็นมองมองคนละมุมกับที่ผู้โดยสารมองคือเขามีความรู้สึกว่าค่ารถเนี่ยไม่น่าควรถึงห้าร้อยเพราะสิบสี่ปีก่อนเนี่ยเงินห้าร้อยก็เยอะเหมือนกันพอรู้สึกสำนึกว่าตัวเองผิดเนี่ยนิยมโชฟแท็กซี่ก็ บอกว่าทำไมผมต้องคิดไม่ได้แบบนี้ผมสมควรไปขอโทษเขา呗 เ, เนี่ยผู้ดิสารก็บอกว่าไม่ต้องหรอกคุณโดนลงโทษตามธรรมชาติแล้วต้องสิบสี่ปีส่วนเพื่อนบ้านเนี่ยเขาคงมีความสุขเพราะครั้งหนึ่งมีเพื่อนบ้านมาปลุกตอนตีหนึ่งให้เอาลูกไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วถามว่าจะเอาเท่าไหร่เขาเรียกห้าร้อยก็ให้เขาก็ชมคุณว่าคุณเป็นคนแฝเขาคงไม่คิดอะไรกับคุณแน่ แต่คนที่ทุกคือคุณที่ต้องเครียดมาต้อง14ปีค้าผู้โดยสารถึงที่หมายเนี่ยชูฟเฟอร์แท็กซี่เนี่ยซักซึ้งมากจะไม่เก็บคา่าโดยสารแต่ผู้โดยสารก็ให้ผู้โดยสารผู้นี้ก็คืออาจารย์พี่พีทภุ่มแก้วนะักพูดชื่อดังสามารถพูดแท็กซี่จะเปลี่ยนความคิดได้คือทําให้คิดเป็นจากคนคิดลบคนเราที่ทุกก็เพราะความคิดเพราะความคิดเนี่ยนำไปสู่การพูด การพูดก็นาไปสู่การกระทำการกระทำถ้าทาบ่อยๆเากลายเป็นนิสัยนิสัยเนี่ยถ้าทำบ่อยก็จะกลายเป็นบุคลิศภาพบุคลิศภาพเนี่ยถ้าสะสมมากๆกขากลายเป็นชะตาชีวิตนันเราจะสังเกตเลยแต่ละคนเนี่ยจะมีนิสัยไม่เหมือนกันบางคนก็เป็นคนจิตใจดีงามบางคนก็เห็นแก่ตัวบางคนก็โกรธง่ายบางคนก็ไม่ค่อยโกรธคือแต่ละคนจะมีอุปนิสัยสั่งสมไม่เหมือนกัน บางคนขยนันบางคนก็ขี้เกียจบางคนก็ขยนันขวนขวายหาความรู้ใส่ตัวบางคนก็มีชีวิตอยู่ไปวันวันหนึ่งเดี๋ยวผ้าที่ขึ้นต่อเย็นผ้าที่กู่ตกดินละอยู่ไปวั น, ว, นวันหนึ่งนั้นแต่ละคนจะมีมุมมองไม่เหมือนกันบางคนเกิด อ, อะไรทิดหน่อาก็ตีโพยตีพายบนดาโทษชะตาโทษฟ้าดินโทษดินฟ้าอากาศโทษโทษคนนูน้นคนนี้โดยไม่ยอมรับความจริงของตัวเอง โดยทั่วไปคนจะเป็นแบบนี้ถึงได้ทําให้ทุกมีอีกเรื่องหนึ่งหลวงพ่ออยู่ท่านหนึ่งหลวงพ่อท่านนี้อยู่ที่จังหวัดอุดรตลอดชีวิตของท่านเนี่ยถ้าจะมองโลกในแง่ดีแล้วก็มีความสุขท่านจะไม่ค่อยทุกขใครเห็นเลยเวลาเกิดอะไรขึ้นท่านก็จะพูดว่าดีเนาะจนพูดดีเนาะ จ, นนะจะติดปากมีฉา ย, ยาขนานนามว่าหลวงพ่อดีเนาะมีวันหนึ่งลูกศิษย์นิมนต์หลวงพ่อ ไปฉันเพนและแสดงธรรมแต่รถที่มารับก็เสียบ้านลูกศิษย์ก็ไปไกลเหมือนกันหลวงพ่อท่านก็วางแผนว่าจะไปฉันที่บ้านลูกศิษย์รอเท่าไหร่ลูกศิษย์ก็ยังไม่มาจึงนําอาหารที่ตนวมิจฉาบาทมาฉันแล้วบอกก็ดีเนาะฉันอาหารของเราเองก็ดีเนาะฉันไม่ได้ไม่กี่คําลูกศิษย์ก็มาถึงแล้วก็รีบไปหลวงพ่อต้องเลิกฉันแล้วบอก ก็ดีเนาะไปฉันบ้านงานก็ดีเนาะรถก็วิ่งไปสักพักหนึ่งรถคันนี้ไม่ค่อยดีอ่ะก็เสียอีกคนขับก็ต้องลงไปซ่อมรถหลวงพ่อบอกก็ดีเนาะจะได้ชมวิวข้างทางคนขับซ่อมแล้วรถก็ไปติดรู้ที่ทาไงจึงมาวานให้หลวงพ่อช่วยเข็นหลวงพ่อตอนนั้นก็แก่มากแล้วหลวงพ่อก็ไปช่วยเข็นและบอกก็ดีเนาะจะได้ออกกําลังกายเข็นไปเข็นมาจนรถติด ปรากฏว่าไปบ้านงานเลยเที่ยงไปแล้วพ่อพ้าเนี่ยฉันอาหารได้ไม่เกินเที่ยงหลวงพ่อยิกงอดฉันฉันเช้าก็ไม่กี่คำเที่ยงก็อดเจ้าภาพก็นดมน่นขึ้นธรรมาแสงธรรมเลยหลวงพ่อก็บอกก็ดีเนาะมาถึงได้ทำหน้าที่เลยท่านก็พูดธรรมะไปจนจบลูกศิษย์ก็ชงกาแฟมาถวายด้วยฟาร์มรีบร้อนหยิบเกลือใส่แทนน้าตาลหลวงพ่อฉันไปได้คํานึง ถ้าก็บอกก็ดีเนาะแล้วก็วางไว้ลูกศิษย์เห็นว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังการที่ได้ทานของที่เหลือเนี่ยถือว่าเป็นมงคลจึงมาขอกาแฟที่หลวงพ่อเนี่ยฉันเหลืออยู่ทานไปได้คำหนึ่งก็พ้นพูดออกมาเลยบอกคิมิด ป, ปีเนี่ยหลวงพ่อฉันไม่ได้ไงหลวงพ่อก็บอกว่าก็ดีเนาะฉันกาแฟหวานๆมามากแล้ว เปลี่ยนรสชาติบ้างหลวงพ่อถ้ามีความคิดบวกคือมองโลกในแง่ดีมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อเดินไปวิทยาบาตรเพอเอิญมีเด็กๆ ก, กำลังเล่นกันแล้วก็เฟียกก้อนหินเนี่ยมาโดนมาโดนคิ้วหลวงพ่อคิ้วแตกเลยเลือดไหลชาวบ้านเห็นเหตุ ก, การณ์ไล่เด็กแล้วด่าเด็กแล้วก็เอายาไปใส่แผลให้หลวงพ่อ หลวงพ่อบอกก็ดีเนาะที่มไม่โดนตาบอดและเรื่องที่ได้รับการโจดจานกันมากก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งมีโจรมาป้นหลวงพ่อโจรมาถึงก็พูจาข่มขู่เลยหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ยิ้มยิ้มก็บอกป้นก็ดีเนาะโจกนมันก็งงป้นจะดีเนาะได้ยังไงหลวงพ่อบอกข้าเน่ยเบื่อที่ต้องเฝ้าสมบัติรั้วบ้านมานานแล้วเอ็งเอาไปก็ดีข้าจะได้หมดภาระ โจ้ก็บข่มขู่ต่อบอกว่าไม่ใช่แค่ปล้นนะต้องฆ่าด้วยเขาปิดปากเดี๋ยวไปบอกตำรวจหลวงพ่อบอกก็ดีเนาะฆ่าก็ดีฆ่าเนี่ยแก่มากแล้วเองฆ่าฆ่าให้ตายสักทีไม่ต้องมาดูแลสังขารที่เสื่อมโทรมลงทุกวันโจ้ได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกใจอ่อนจึงบอกถ้างั้นฉันไม่ฆ่าหลวงพ่อก็ได้หลวงพ่อก็พูดต่อว่าก็ดีเนาะไม่ฆ่าก็ดีเนาะโจ้มันก็บอกอะไรหลวงพ่อฆ่าก็ดีไม่ฆ่าดีจะเอาะไรกันแน่ หลวงพ่อก็พูดต่อว่าถ้าเองฆ่าฆ่าเนี่ยเองก็ต้องตดนตารวจตามจับเผื่ อ, ต, อติดคุกถ้าพลาดก็โดนตารวจวิสามันถ้าเองตายอีกเราตกตะลุกโอบไมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเพราะฉะนั้นเองไม่ฆ่าฆ่าก็ดีเนาะโจรได้ฟังวันนั้นก็คิดได้วันนั้นก็เลยไม่ป้นแล้วก็ไม่ฆ่าแล้วก็ฝากตัวเป็นสิทธิ์หลวงพ่อตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา หลวงพ่อดีนอต น, นี่ก็มีตัวตน อ, อยู่จริงอยู่ที่จังหวัดอุดร อ, อยู่วัดมาชิมาวาร์ท่านก็มีชีวิตอยู่สมัยหลวงู่มั่นน่ยเกิดประมาณสองสี่หนึ่งห้าแล้วก็มรณภาพประมาณสองห้าหนึ่งสามอายุก็ประมาณเก้าสิบแปดปีต่อหลังองค์ในหลวงก็ตั้งฉายาว่าพระเทพวิสุทธาจารย์สาธุอุทานธรรมวาทีก็คือหลวงพ่อดีเนอตหลวงพ่อผู้บองโลกในแง่ดีเรื่องของหลวงพ่อดีนอตเนี่ย เราสามารถเอามาใช้กับชีวิตประจําวันได้ผูพ้พูดเนี่ยนํามาใช้บ่อยบางครั้งเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจอะ่ะบางทีเราต้องรอหรือคอยอะไรบางอย่างที่นานหรือมีคนขัดใจหรือทําอะไรไม่ได้ใจเนี่ยหรือดินฟ้าอากาศต่างๆอันนี้ช่วยได้ทําให้เราเนี่ยลดความทุกข์ลงได้มีอยู่ครั้งหนึ่งผูพ้พูดเนี่ยไปงานศพของอุบาสิกาลัญจวนอินทระกําแหงที่วัตเกตนะ หลังจากออกจากวัตเกตเนี่ยก็ต้องนั่งแท็กซี่ไปทําธุระที่ท่าประจันคือแท็กซี่ได้แท็กซี่กดมิเตอร์กดมิเตอร์เสร็จแท็กซี่ก็บอกน้าผู้พูดแล้วก็ถามว่าบวชมากี่ปีแล้วเป็นคนจีนคนไทยบวดทําไมรู้ป่าหนี้ในหลวงนะผู้พูดก็คิดโอ้เราเจอคนบ้าเขาแล้วงานเข้างานนี้ช่วงนั้นเนี่ยตัดสินใจเอจะลงรถดีหรือไปต่อดีแต่ใจหนึ่งก็ไม่เป็นไรฟังเ้าพูดเอืเอะเขาเป็นอะไรพูด เ้าก็นั่งดา่าเขาเกลียดคนจีนมากเขาก็ด่าคนจีนตลอดทางเลยอันมาก็ร่างฟังไปไม่ได้พูดไม่ได้เสียงอะไรเขาหรอกเดี๋ยวก็บอกว่าห้ามโกรธเขานะเขาเป็นลูกผู้รู้เจ้านะถ้าโกรธเขาบาปนะรู้เปล่าอะไรพวกนี้เขาพูดคนเดียวแหละขับรถไปพูดไปอันมาก็ฟังไปแล้วก็ดูใจเราไปว่าเราโกรธเขาไหมแต่ลึกๆเราก็สงสารเขาเพราะไปเจอผู้สืสารคนอื่นเนี่ยอาจจะทะเลาะวิวาทหรือทําร้ายกันได้จนถึงที่หมายคือท่าประจัน เราก็ลงโดยสวัสดิภาพแต่ถ้าเกิดเราไม่เฉลี่ยเราก็ไปท้อเขาแล้วเราเป็นคนใช้บริการเนี่ยถูกต่อว่าถูกพูดจาหยามหยาดตลอดแต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งมันก็เป็นการลดอัตราการคอยตายเหตุการณ์เพราะเราไม่รู้เลยเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ดีเนาะได้ทุกสถานการณ์อย่างเป็นพระเนี่ยไม่ใช่ว่าคนจะนับถือบทนะบางทีเราไปที่ไหนเนี่ยคนรู้จักเราเ ข, า, ขาให้เกียรตเรา อาจจะพูดคุยดีให้เกียรติแต่ถ้าเกิดเราไปเจอที่เขาไม่รู้จักเนี่ยบางทีเขาขอด่าก็มีไม่ได้เป็นดังใจเราหรอกแต่ละที่เนี่ยมันเรายึดไม่ได้เลยว่าเราเป็นใครอยู่วัดไหนอย่างอันมาไปวัดอื่นเนี่ยเราก็ต้องกลมคืนตามสถานการณ์เราหยุดเนี่ยเราก็ทำตามวัดเขาเขาทําไงเราก็ทําปรับตัวเข้าเข้ากับสถานที่อยู่วัดเราก็ทําอีกแบบหนึง่งเราต้องยึดอยู่น่ยคือไปชีวิตของเราเนี่ยแบบดินฟ้าอากาศคนรอบข้าง ถ้าเราไม่ดีเนาะเนี่ยแย่เลยถ้าเรามองโลกในแง่ลบนะเพราะธรรมดาคนเรามองโลกในแง่ลบอยู่แล้วบางคนเนี่ยคิดเรื่องไม่ดีเนี่ยเกลียดคนโน้นโกรธคนนี้เนี่ยบังดสิบปีก็ไม่ลืมเลยแต่ถ้าเปลี่ยนมุมมองปุ๊บเนี่ยไอ้ความคิดนี้หลุดเลยนะอย่างลายของแท็กซี่กับอาจารย์พิพิธเนี่ยแท็กซี่กับมีความรู้สึกว่าจิตแกไม่คิดจะให้แต่ถ้าแกให้ปุ๊บเนี่ยให้คนที่ช่วยชีวิตลูกเนี่ยให้มาห้าร้อยก็ได้แกจะมีความสุขทันทีเลยแกจะไม่ด่าเลย แต่าบางคนยืมตังเนี่ยอดบาลเมื่อก่อนเคยโดนยืมบ่อยนะบางทีเราก็เห็นว่าคนนี้บางทีก็ยกให้ไปเลยถ้าไม่มากเกินไปนะแต่ถ้าเขาขอมากแล้วเรามองว่าถ้ายืมพวกไม่ใช้เราหรอกเราก็ต้องดูอะ่ะบางครั้งเราก็ให้เขาแต่เราไม่ให้มากอะ่ะ อ, องสามร้อยเนี่ยเราก็ให้เขาไปไม่ต้องมาใช้บางทีขอเป็นพันอย่างเงี้ยขอยืมเป็นพันอย่างเงี้ยอันนี้ก็เคยเจอมาเจอม า, มาหลายครั้งแต่เราให้เขาเราก็มีความสุขนะทังการปฏิเสธก็ทําอีกกว่ายห น, นึ่งอ่ะรู้สึกผิดหวังจะไปศารพูดบ่อยบอกว่าคนเราที่ทุกข์เนี่ย เพรเราคาดหวังจากคนอื่นคาดหวังจากดินฟ้าอากาศคาดหวังจากจากคนทั่วไปว่าต้องดีกว่าเราห้ามไม่ดีกับเรานะอันนี้เราทำไม่ได้หรอกหรือไม่ก็ห้ามวิจารณ์เรานะอันนี้ก็ทําไม่ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ทําได้ก็คือรักษาใจแหละรักษาใจเราไม่ให้ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆจะใน f a c เฟ o บุอกผมจะโพสบ่อยเกี่ยวกับข้อความเหล่าเนี้ยพวกวางใจไม่ให้ทุกข์แล้วก็พวกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพัดผ้าสูญเสียของร่างต่างเนี่ย ควรทำยังไงขอ้ขอคิดข้อเขียนเหล่าเนี้ยก็มีประโยชน์กับผู้อ่านนะบางทีผู้อ่านคิดไม่ออกอยู่ในสถานการณ์ที่กําลังเครียดเหมือนกันอย่างตัวผู้พูดเองก็เหมือนกันนะบางทีเนี่ยบางสถานการณ์เนี่ยตัวเองก็คิดไม่ออกเหมือนกันตอนคนอื่นมาช่วยสะกิดเขาเรียกว่าเส้นผมบางภูเขาเราจะเจอปัญหาเรื่องเหล่านี้บ่อยบางคนอกหักเสียใจก็มาปรึกษานะมาตอบว่าควรทําไงอะไรเงี้ยหรือบางคนก็ทุกข์กับเรื่องรู้เรื่องนี้หาทางออกไม่ได้ก็เขียนมาปรึกษาเราก็ตอบถ้าเดียวตอบได้แหละ เขาก็สบายใจแล้วก็หายไปพอทุกขเขาก็เขียนมาหาเราอีกเากคือคนทั่วไปก็เห็นพระเป็นที่พึ่งแหละอย่างที่เขาสู่เขาก็ลืมเราพระก็เป็นที่พึ่งยามยากยามนี้เขามีปัญหาชีวิตเป็นที่พึ่งทางใจถ้าเราคิดว่าทำประโยชน์ตนเองทำประโยชน์คนอื่นเราจะมีความสุขกันทีเลยแต่ถ้าเราอยากเอานะอยากให้คนรูน้คนนี้ต้องมาให้ของเราคนนี้ต้องดีกับเราเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง ในโลกธรรมเนี่ยมีลาเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกมีสเสอเสื่อมีินทาไอคนที่ดีกับเราอ่ะบางทีอยู่ว่าแป๊ บ, บก็หายไปแล้วบางคนก็เม่งขี้หน้าเราก็มาก็มีปนเปกับไปอย่างเงี้ยในโลกธรรมเราไม่สามารถกําหนดได้ด้วยคนให้คนชอบคนไม่ชอบเราก็ต้องวางใจเราอ่ะให้เป็นเป็นปกติมองโลกในแง่ดีก็มีส่วนทําให้ทุกขเนี่ยน้อยลงบางความทุกจะเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่ก็ทําให้เป็นเรื่องเล็กไปได้เรื่องเล็กก็หมดปัญหาไปเลย ถ้าเรามองโลกในแง่ลบเนี่ยความทุกข์ต่างๆก็เข้ามาหาเราแหละเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่มาโคตรจนไม่ได้นอนไม่หลับก็มีเพราะว่าไม่สามารถปล่อยวางความคิดนั้นได้ความคิดปรุงแต่งเนี่ยเชื่อถือไม่ได้หรอกมันมาแล้วมันก็ไปมันมาแล้วมันก็ไปถ้าเราไปยึดมันไปจริงเป็นจางเนี่ยใครมาร่วมเกินเราเราก็ไปทะเลาะวิวาทหรือคิดเอาเองเราจะเห็นนะคนที่ติดคุกติดตารางเนี่ยมันคิดเอาเองนั่นเลยคนที่ทํากรรมทาเวร พอเป็นคนตามใจตัวเองคนที่ติดคุกจึงมีมากมายเลยจะเห็นนักโทษในเรือนจำเนี่ยไม่มีความสุขแต่ละคนหน้าตาเศร้าหมองทั้งนั้นเลยผีกะชาววัดที่มีสละมีความสุขอันนั้นเขาเลือกเดินทางเขาเองก็ต้องใช้กรรมอย่างพวกโยมก็ถือว่ามีบุญได้มารักษาศีลมาสวดมนต์มาฟังธรรมมาทำบุญช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลงานบุญเป็นช่วงที่ญาติโยมได้หยุดยาววันที่18เป็นวันอาสาฬหาบูชา วันสิบเกเป็นวันเข้าพรรษาที่วัดป่าสุโกโตพรุ่งนี้ก็จะมีการบวช น, นาคหลายรูปบ้างก็เป็นญาติของนาคเป็นพ่อแม่ก็มาวัดก็ถือว่าพวกญาติโยมเนี่ยใช้เวลาเป็นประโยชน์ได้มาวัดมาทําบุญสร้างบุญสนถ้าบางคนก็ใสยวันหยุดยาไปเที่ยวเตห า, าสุขนานส่วนมากคนข้างนอกคิดแบบนี้กันบุญมี10อย่างการให้ทานการรักษาศีลและการภาวนาอันนี้พวกโยมก็ทํำมาอยู่เป็นประจํา แต่มันมีข้ออีกย่อยอีกยังมีข้อที่4บุญสําเร็จด้วยการประคฤติอ่อนนอนถ่อมตนอันนี้ผู้โยมบางคนที่ไม่เคยเข้าวัดก็อาจจะไม่รู้แล้วก็ข้อที่5บุญสําเร็จจากการช่วยเหลือขนขวายข้อที่6บุญสําเร็จจากการแบ่งปันความดีอุทิศวกุศลให้บิดามารดาหญาติโกโหริการที่ล่วงลับไปแล้วอันนี้เป็นการแบ่งความดีบุญข้อที่7ก็เป็นบุญอนุโมทนาบุญ ให้กับคนที่ทำความดีแล้วก็ฝังธรรมก็แสดงธรรมทำบำเพ็ถูกต้องอันนี้เป็นบุญทางนั้นเลยพู้โยมทํำทุกอย่างอย่างทานศีลภานะวนาเนี่ยผู้โยมอาจจะคุ้นแต่บุญข้อที่4เนี่ยคือการประพฤติอ่อน น, อน้อมถ่อมตนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นไงประพฤติอ่อน น, อน้อมถ่อมตนในที่นี้ก็หมายถึงว่าเคารพผู้ใหญ่ผู้ที่สูงอายุกว่าไม่พูดจาก้าล้าง ล, ล, ล, ล, ล่วงเกินท่านครูบาอาจารย์อันนี้ถ้าคนมีควาอ่อนน้อมถ่อมตนนะ ก็จะเป็นคนที่อยู่ในสังคมมาตัวรอดชีวิตจเจริญรุ่งเรืองแต่ละคนไม่คิดอ่อนน้อมถ่อตนเนี่ยชีวิตจะมีปัญหาแหละไปที่ไหนก็ทะเลาะคนโน้คนนี้พอเราไม่เคารพผู้ใหญ่หรือไม่เคารพไม่ให้เกียรติคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาก็ไม่้เกียรติเราไปโกงกรรมบงเกวียนบุญข้อดีพวกโยไก็อย่ามองข้ามพองทีอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นการลดอัตราด้วยแล้วบุญจากการช่วยเหลือขนกวายเนี่ยเป็นบุญที่ทําง่ายอย่างผู้โยมมาวัดเนี่ยบางทีมาช่วยฝาดใบไม้ช่วยเก็บขยะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญ ล, ละช่วยล้างจานช่วยแม่ชียกกับข้าวหรือช่วยทําอาหารช่วยหั่นผักปอกผลไม้อ่ะอันนี้เป็นบุญที่ทําง่ายเป็นบุญช่วยเหลือขนกวายหรือกี่ส่วนรวมมาทำปุ๊บหลักวิญญาณสุกันทีเลยแล้วก็บุญจากการชักชวนหรือคนทาความดีหรือแผ่เมตตาอุทิศกุศลเนี่ยก็ทําง่ายเวลาเราขวดน้ําเวลาเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จหรือนั่งสบายที่เสร็จแล้วก็อุทิศกุศลไปให้ ขณะที่จิตใจเราเนี่ยจเจริญเมตตาแผ่สบัติที่ไปให้เนี่ยก็ทําให้เราจิตใจอ่อนโยนด้วยแล้วทําให้คนอื่นเนี่ยได้ทําความดีด้วยความดีเราไม่ทาคนเดียวอย่างเราทําบุญบางทีก็บอกให้คนอื่นน่ยไปทําด้วยความดีต่อความดีแต่ถ้าเราทําคนเดียวเราก็ได้บุญน้อยราคนอื่นไม่รู้เรื่องด้เลยอย่างอย่างความดีเนี่ยต่อความดีหลวงพ่อข่งเขียนใหพูดได้บ่อยอย่างมาบวชนาคเนี่ยพอพอานาคบวชแล้วเป็นคนดี สื่อออกไปเนี่ยเป็นคนที่รู้อะไรผิดอะไรอะไรถูกอะไรควรเนี่ยเคยกินเหล้าก็เลิกเหล้าเคยดื่บบุหรี่ก็เลิกบุหรี่เคยเกเร ے, ก็เลิกเกเร ے. เป็นคนเคารพพ่อแม่ไม่ทําให้ท่านเสียใจแล้วก็มีเหตุผลนําหน้าอารมณ์แล้วก็นิสัยเปลี่ยนเป็นคนใจเย็นขึ้นอย่างเงี้ยพอญาติพี่น้องหรือพ่อแม่เห็นเข้าก็ปลื้มใจวันหลังมีลูกวิญญาณก็ให้บวชวัด น, นี้ต่อแต่ถ้าเจ้าหนา้า บวชมาแล้วสื่อไปเกเรกว่าเดิมอันนี้ก็สิ้นความเชื่อถือแล้ววันหลังคนก็เห็นก็ไม่มาบวชวัด น, นี้แล้วบวชไปแล้วฟ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็ใช้ไม่ได้อันนี้แล้วบุญข้ออนุบุตนาบุญเนี่ยทำง่ายอย่างโยมเห็นใครทำความดีเนี่ยเราก็สาธุเห็นคนใส่บาตรเราก็สาธุอันนี้เราก็ได้บุญด้วยนะเห็นใครถวายสังฆท า, านเนี่ยเราก็สาธุก็เหมือนเราทําด้วยมีส่วนร่วมทั้งใจ แต่ถ้าเราเห็นใครทำความดีแล้วเราบอกเอ๊ะคนนี้ไปเอาหน้าหรือเปล่าอันนี้คิดอกุศลแล้วใจเราก็ไม่ได้บุญด้วยยกมือสาธุก็ได้บุญด้วยทําง่ายถ้าทํำบ่อยๆเราก็สามารถมีบุญง่ายอะ่ะมันทําได้ทั้งวันเลยอะ่ะใครทำความดีก็สาธุใครทําไม่ดีก็ปล่อยวางอุเบกขาสาธุไปได้แล้วก็อย่างบุญฟังธรรมอย่างโยมกาลผ่านออกมาพูดอยู่เนี่ยถ้าตั้งใจฟังนะก็ได้ที่สงะ่ะ ได้ประโยชน์อาจจะได้ไดยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนอันไหนถ้าได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจยิ่งขึ้นแล้วก็หายสงสัยแล้วก็ทําความเห็นหถูกต้องคือฟังแล้วทําให้เกิดความเห็นที่อาจจะเปลี่ยนทิศก็ได้แล้วก็ทําความเห็นให้ตรงอันนี้อานที่สงการฟังทำแต่บางครั้งโยมก็สามารถแสดงธรรมได้เห็นใครกําลังตกทุกข์ได้ยาก คนกระโหลกหักอยากฆ่าตัวตายเราไปพูดปลอบใจบอกอยาฆ่าตัวตายเลยชีวิตที่มีคุณค่าให้กำลังใจเขาเนี่ยพวกโยมก็เหมือนกับพระและ้วอันนี้แสงธรรมให้กำลังใจคนอื่นพวกโยมสามารถทําได้นะเห็นใครของหายเสียใจ อ, อกหกักเครียดเราไปพูดด้วยเขาเกิดกําลังใจแล้วข้อที่สาคัญก็คือข้อทําความเหตุให้ตรงไนงะให้เชื่อว่าบุญมีบาปมีนิพพานมีมะขผลมีถ้าเราไม่เชื่อพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็อาจเชื่อว่าท่านหน้าตายแล้วศูนย์ก็ได้ ถ้าเรามีความเห็นถูกต้องมันก็กบุญกุศลมาทุกทุกบุญเลยแหละเรียกทำบุญได้มากอันนี้ก็เป็นชีวิตที่เป็นมงคลอันมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาก็ขอให้ความสุขความเจริญจงมีแก่ญาติธรรมทุกท่านขอจบลงแค่นี้